Book 2สองทีที่ร้านอาหารสี่รีชขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ฟรีคาร์ตูพลุสอาร์เกตชูปูดู และมายองเนสสองที่ Un d e v sporties ar mayonesi และใส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ Un tris p o r t i e s ceptu desu ar sinepem คุณมีผักอะไรบ้างครับกาดิดาสและยูมซิร์คุณมีถั่วไหมครับไ คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับ v i j u m s i r z i e d k ā p o s t i ผมชอบทานขา้าวโพดหวาน e s l a p r ā t ē du k u k u r ū z u ผมชอบทานแตงกวา e s l a p r ā t ē du g u r ķ u s ผมชอบทานมะเขือเทศ e s l a p r ā t ē du t o m ā t u s คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับว a ยยูสลาปรัตตอดัตปูราบสคุณชอบทานกระหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับว a ยยูสลาปรัตตอดัตสกาบาตสกาปาูสตุสคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับว a ยยูสลาปรัตตอดัตเลซัส คุณชอบทานแครอท ด, ด้วยใช่ไหมครับตุอรลปราเอดบอร์กานุสคุณชอบทานบลอกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับไวตุอรลปราเอดบรอกโคลสคุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับตุอรลปราเอดปาปริกผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ มันเนือกระชวซีปูรผมไม่ชอบมากอกมันเนือกระชวโอรีเบสผมไม่ชอบเห็ดมันเนอชวเซนส